ตอเ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อเองไปณักสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยไปอย่างวันนี้ได้มาที่ aia หลวงพ่อก็ไม่เคยมาและก็มาพบศรัทธาญาติโยมเป็นครั้งแรกของหลวงพ่อและก็พร้อมกันหลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆอย่างวันนี้หลวงพ่อก่อนมาที่ aia ของพวกเราก่็หลวงพ่อมาเป็นครั้งแรก เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ก่อนที่จะให้ศินหลวงพ่อจะได้ทําความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้เข้าใจพราะโดยมากครูบาอาจารย์ไปณนะสถานที่ต่างๆที่ผ่านๆมาที่หลวงพ่อไปในพิธีมากต่อมากเวลาคณะศรัทธาญาติโยมกราบอาราธนาศินพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานสงฆ์ท่านก็จะให้สินไปเลยเพราะท่านก็รู้แล้วว่า พวกลูกหลานทั้งหลายคงจะรู้ว่าศีลห้านะมีอะไรบ้างก็รู้อยู่แล้วศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ขโมยทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกาไม่โกหกไม่ให้ดื่มสุราไม่จําไม่ได้หรือทีนี้ถ้าจะให้ลึกซึ้งละเอียดสําหรับลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังความลึกซึ้งแล้วว่าทําไมศีลห้ามีคุณค่ายอย่างไรทําไมจึงให้มีศีลเวลาเข้ามาในาศาสนาพิธีทําไมไหว้พระจบลงไปแล้วทําไม จึงอาราธานาศีลทุกครั้งพออาราธานาศีลจบลงแล้วก็รักษาศีลกันพอจบแล้วก็ไม่เห็นใครรักษาพอเห็นจงมากระตบเมาพอเห็นมดมากก็บีเอาเอา่ก็ไม่เห็นใครเป็นผู้รักษาทําไปเพื่อเป็นาศาสนพธิธีหรือทําเป็นเล่นเล่นห ล, ลอกกันไปหลอกกันมาอย่างนั้นใช่ไหมไอ้อันนี้ลูกหลานเขาเกิดใหม่ใ ห, ใหญ่ที่หลังเขาก็คงจะคิดในใจถึงเขาจะไม่ตั้งคําถามออกมาเป็นคําถามก็ตั้งเป็นคําถามออกมาก็กด กลัวผู้ใหญ่จะดูเขาใช่ไหมแต่ในใจเขาคงจะคิดนะหลวงพ่อว่าพรเด็กทุกวันเนี่ยเด็กมันหัวแหลมมากๆมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องหาคําตอบเขาให้ได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดหลวงพ่อว่านี่นะอันดับแรกถ้าหลวงพ่อมาเลิกไปนสถานที่ใดถ้าว่าญาติโยมขอสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายเนี่ยศีลพอสังเขปให้แก่ศรัทธาญาติโยมเข้าใจอันดับแรกหลวงพ่อ ไม่ใช่ให้ศินนะหลวงพ่อเป็นผู้พาสมาทานนําสมาทานสินถ้าหลวงพ่อให้สินให้ทีละ8ดทีละหทีละ8ดทีละห้านะสิลหลวงพ่อ227 ต, ต่อไปก็คงจะไม่มีศินเพราะงั้นเธอให้คนหมดเพรางั้นอันนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นผู้สมาทานนําให้สิ น, อนัอันดับแรกหลวงพ่อจะนําให้ศินแล้วหลวงพ่อจะกล่าวนนโมซะก่อน นโมตัสสะปะกะวโตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวถึงสามครั้งทำไมจึงกล่าวนโมเพราะว่าเรื่องศีลห้าศีลธรรมหรลิจริยธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาบัญญัติทำวินยัยบัญญัติศีลให้พวกเราได้ศึกษาพวกเราเห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเนี่ยเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้า กล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าต้นความคิดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมานี่คือต้นความคิดเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเนกล่าวหน้าโมจากนั้นพุทธังทำมางังสังขังสระนังคัตฉ า, า, า, า, ามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นพรณะเป็นที่พึง่งพุทธังข้าไปเจ้านับถือพระพุทธเจ้าต้นศาสนาตนพระพุทธศาสานาพระธรรม คือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศเผยแผ่ให้พวกเราเข้าใจพวกพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่มีพระธรรมคำสอนคาสอนพวกเราก็คงไม่เข้าใจในสังฆังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาขยายผลมาแนะนาสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราจึง ได้นับถือพระพุทธเจ้าต้นาศาสนาต้นพระาศาสนาคือต้นความคิดที่ประกาศธรรมออกมาพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์พระสงฆ์คือสาวก ข, ของพระพุทธเจ้านำพระธรรมมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกเราได้เข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จากนั้นดูตียามปิพุทธทางธรมังสังขังสระนางังคะฉามิฆาไปเจ้า ยืนยันครั้งที่สองจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตาติยำปีพุทธังทำมังสังขังยืนยันถึงสาครั้งนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก่กล่าวเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเว ร, รมณีข้าพรเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์อันนี้คือกฎถ้าจะว่ากฎหมายก็ใช่จะว่ากฎระเบียบก็ใช่นี่คือศิลป์คือไม่ให้ฆ่าไ ม, ไม่ให้ฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าเขา เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเราเราเสียใจไหมถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะเขาเสียใจไหมนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านเป็นบัญญัติศินขึ้นมาข้าว่าสู่เจ้าทั้งหลายต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขสู่เจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หนึ่งสู่เจ้าจะฆ่ากันนี่ล่ะสินของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมา ถ้าฆ่าเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่าฆ่ากันเขารบชีดกันดีไหมข้อที่2อันนี้อาทินนาธานไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจไปขโมยมาเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจขโมยไม่ใช่ขโมยธรรมดาขโมยพ่อขโมยแม่ขโมยลูกขโมยสามีของเราไปเรียกฆ่าไทยไงเราดีใจไหมเราก็เสียใจคนอื่นเขาล่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นการขโมยกันไม่เป็นผลดี ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่สินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิตสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันถ้าเราเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้าเขาเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเคารพสิทธิ์กันดีไหมไม่ล่วงล้ำกันเคารพสิทธิ์เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเหมือนกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน นี่แหละสินข้อที่สข้อที่4ี่มุสาวาทาเว ร, รมณีในการโกโหกตอแหลหลอกลวงเขาต้มตุ๋นเขามีมากมายก็ว่าต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยถ้าพวกเราอยู่ใน a i ไเนี่ยจะรู้สึกสํานึกได้ดีเพราะงั้นแตคนโกหกตอแหลต้มตุน๋น่ะเป็นยังไงอันนี้ถ้าว่าพวกเราซื่อสัสจจดิจิตต่อกันเนี่ยดีไหมเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมเคารพกันไม่โกหก ต้มตุนกันดีไหมอันนี้ก็คือให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลยัยสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์แล้วก็ของเหมือนเมาอย่างอื่นคัญชายาบ้าคัญชายาฟินเฮโลอินจัดเข้าเป็นของเหมือนเมาทั้งหมดจัดเข้าเป็นเหล้าทั้งหมดพรากินเข้าไปแล้วมันทําให้สมองของเราปั่นป่วนเปลี่ยนแปลง เป็นบ้าชั่วคู่ชั่วขณะที่มันเมาแล้วนะเะมื่อคนเมาแล้วขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างพรอบคนขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างพวกเราในเห็นในสื่อต่างๆเพราะอะไรครอบครัวดื่มเหล้าดื่มกินเหล้าเข้าไปแล้วมันขาดสติให้เมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะมันมันเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วคู่ชั่วขณะ ช, ชั่วยาบอ่ะเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ ใครจะเป็นผู้รักษาพระจะเป็นผู้รักษาใช่ไหมหรือคนแก่เป็นผู้รักษาศีลใช่ไหมหรือใครสมควรที่จะรักษาคนที่รู้ศีลธรรมเท่านั้นสมควรจะรักษาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับชุมชนและสังคมกับพวกคณะสัตยาญาิโยมทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้แหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้ามาแยกแยะให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดประโยชน์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 นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโกกสัมปทาสีเลนานิปุติงยันติตัสสมัสีลังวิโสทาย ในหลวงพ่อได้มาที่บริษัท AIA หลวงพ่อรู้จักมาแต่เล็กต่น้อย AIA เพิ่งมาวันนี้มาเห็นสำนักงานใหญ่แล้วก็ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมก็หลายองค์อย่างที่มีรายชื่อเนี่ยเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาวันนี้เป็นวันที่ห้าพฤศจิกา นิมนต์หลวงพ่อนี่อินทถวายสันตุสโกมาเทศในวันนี้หลวงพ่อคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานคงจะไม่เคยเห็นพราะหลวงพ่อเองก็ไม่เคยเห็นลูกหลานเหมือนกันหลวงพ่อก็อาจจะเห็นกับเคยผ่านไปผ่านมาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เพราะหลายคู่หลายคนลูกศิษย์ลูกหาสัตยาญาติโยมหลวงพ่อแต่ละวีแต่ละวัน หลวงพ่อไม่ใช่นักเทศนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะคือนะมาพูดเลยมาพูดถึงความจําเป็นนะเพราะเหตุไรเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แสดงธรรมแล้วก็จบจบไปแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทัน้งหลายได้ฟังเถอะก็ร่องรยไปตามอายุสังขารของท่านหลวงพ่อตะกอนก็อยู่ต่ำแต่มาโผขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นเฉลยมันถึงตาตัวเองแล้วจะทํำยังไงเนี่ย ถ้าจะว่าไปแตเป็นนักมวยถ้าเป็นนักมวยกบบเป็นนักชกที่จําเป็นว่างั้นเถอะอยเพราะนั้นพวกลูกหลานศรัทธาญาติโยมฟังให้ฟังฟังดูหน้าหลวงพ่อ ม, มีความคิดเห็นอย่างไรที่ได้มาพบมาเจอกับศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะมาได้คนนู่นก่อนเข้าพรรษาในเรื่องนี้ที่กับปราัถนานิมนโฑหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออเอาน่าจะไปพูดไปพบกับศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ได้กนะ็เลยได้ปลีกตัวมาเมื่อวานนี้แล้วก็หลวงพ่อจะขอแนะนําว่าหลวงพ่อเนี่ยพวกคณะศรัทธาญาติโยมใหม่หลวงพ่ออินเนี่ยเป็นคนที่ไหนอย่างไรทําไมจึงมันนี่มนมาแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นคงจะท่านก็คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเองก็ไม่เคยมีถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเป็นผ้า ป, ป่าพระดงจริงๆนะ ไม่ค่อยมีประวัติถ้าจะมีก็แบบมาช่วงหลังๆงมีเอ็มีสามโผล่มาให้พวกเราได้ฟังบ้างการที่มี m อ3สามหลวงพ่อก็ไม่ใช่สมัครใจทําก็มีนักศึกษาแพทย์แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยตั้งแต่ปีสองห้าหลวงพ่อก็เวลาพระเนนเข้าไปอยู่ด้วยัทธายญาติโยงเข้าไป ใกล้หลวงพ่อก็ะดยแนะนําสั่งสอนตามความรู้ความสามารถของหลวงพ่อเองเพราะหลวงพ่อกับวชมากับครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาอย่างไรหลวงพ่อก็ะดยแนะนําไปตามที่ได้พบได้ปฏิบัติมาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ออกมาเผยแผ่เพราะว่าเห็นว่าธรรมเทศนาครูบาอาจารย์มากอยู่แล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งขององค์หลวงตามหาบัวนะแต่นนี้พอต่อมาปี2548นนักศึกษาแพทย์มหิดล ศิริราชเข้าไปบวชที่วัดหลวงพ่อไปขอบวชหลวงพ่อก็อนุญาตให้บวชเกือบทั้งหมดก 18, เกือบสิบปเกือบยี่สิองค์รวมทั้งพระในวัดด้วยกือบสีหสิบองค์หลวงพ่อคิดว่าเมื่อนักศึกษาเป็นทรัพยากรของชาติเป็นมันสมองของชาติควรจะนำธรรมะเข้ามาความรู้คู่คุณธรรมถ้ามีแต่ความรู้มีแต่เลือกแพทย์อย่างเดียว ถ้าขาดคุณธรรมทางด้านจิตใจก็คงจะเป็นแพทย์ที่ไม่สมบูรณ์คงจะทำความเดือดร้อนให้แก่ปวงประชาไม่มากก่าน้อยถ้าแพทย์ขาดคุณธรรมในจิตใจหลวงพ่อก็เลยอบรมแพทย์ในตามปกติหลวงพ่อจะอบรมเดือนละสี่ครั้งคือวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำเท่านั้นแต่เมื่อนักศึกษาแพทย์เขาไปหลวงพ่อก็ไปชมพระใหม่บอกว่านักศึกษาแพทย์เขามา หลวงพ่อเองจะประชุมทุกเย็นเพราะว่าประชุมเพียงสีวันก็คงจะไม่เพียงพอในการแนะนำํำธรรมะเข้าสู่ลูกหลานที่เข้ามาศึกษาจากนั้นหลวงพ่อเองก็เลยได้นัดประชุมพระเมนทุกวันทุกเย็นอย่างนั้นพออัดเสร็จแล้วตอนนี้พวกพระท่านก็เลยอัดเทปของหลวงพ่อเอาไว้ต่อมาหลวงพระท่านก็บอกเสนอขึ้นมาว่าหลวงพ่อ ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนถ้าหลวงเอาเอ็มพออก เ, อเทปออกไปเพราะว่าหลวงพ่อ อ, อบรมขรานี่ใช่ไหมตั้งใจอบรมนักศึกษาแพทย์คงจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็เออเอามาฟังดูสิก่อนที่จะออกไปมันก็ต้องให้ผมได้ให้หลวงพ่อได้ฟังดูก่อนจะกระทบชุมชนสังคมอย่างไรบ้าง ถ้ามันฟังไปแล้วมันกระทบชุมชนสังคมหลวงพ่อก็จะไม่ให้ออกนะเอามาฟังดูพอพระมาให้ฟังหลวงพ่อก็คงจะเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งเ้า่อาออกได้อันนแหละคือออกปีสี่แปดนี่เองนะอันนี้แหละคือเทปของเอมพสามหลวงพ่อก็โผล่ออกมาเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เป็นแผนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆแหลทีนีเ้เพราะมันมันออกเลยเแต่นี้หลวงพ่อก็คงจะ พอมาถึงจุดนี้หลวงพ่อเอ็มพีสามของหลวงพ่อมันจะปาเพราแผ่นที่ยี่สิบแล้วนะอมันปา่าไปพอแล้วละบัตรนี่วะถ้าปล่อยออกไปมากๆสินค้ามันจะเฟอ้เอถ้าสินค้าเฟ้อแล้วมันจะด้อยคุณภาพเพราะฉะนั้นหยุดได้ก่อนนะอหลวงพ่อสั่งหยุดที่นี่เอเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็มีทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบแผ่นที่จะออกในช่วงเร็ววันนี้นะ สรุปแล้วก็คือออกในโดยเร็ว เ, เร็วพอสมควรระยะสั้นนะเหมือนนเต็ปปีสี่แปถึงปีหนะ้าหนึ่งรู้สึกว่ามากพอสมควรถ้าจะว่ามากนะแต่นี้ความเป็นมาของหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหนลูกหลานก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ไหนชาวอะไรหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารนะเกิดที่ตีนเขาปูเจาะ ก, ก่อพวกเราคงจะไปเคยไปเห็นปูเจาะ ก, ก, ก็คงจะรู้นะ หลวงพ่อเป็นชาวเขานะ เ, เป็นคนเ ผ, าผ่าภูไทยยเหมือนเอนบวชกับหลวงปูล่ลาศแต่อายุสิบสิบสองปีสิบเอ็ดย่างสิบสองปีพอจบปอสีแล้วเขาก็ฝากยมพ่อจบแม่ก็ฝากขึ้นภูเจ้า ก, ก็อยู่กับหลวงปูล่ลาแต่อายุสิบเอ็ดสบสอปีพอขึ้นไปแค่นั้นนะวาหวอ้างว้างคิดถึงแม่ร้องไห้อยู่บนภูเขาว่างอนกันเถอะหอลวงพ่อไม่ใช่นั้นนะ่ะจากนั้นหลวงพ่อกับบวชเป็นสมัมเาณี อยู่กับหลวงปู่ลาเป็นเวลา8ปีจากนั่งกระโวดเป็นพระหนึ่งพรรษาปพรรษาเก้าจากนั้นก็ไปจำมาจำพรรษาที่หลวงปู่จามหลวงเป็นหลวงอานะจากนั้นขึ้นไปจปําพรรษาหลวงปู่แหวนจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ลงมาจำพรรษากับหลวงอาอีกหนึ่งปีเมื่อเราอยู่ในชุมชนและอยู่ใกล้ใกล้บ้านกระทาให้จิตใจของเราเขวได้ง่ายๆเพราะว่าได้มองเห็นสิ่งรอบข้างควรจะหนีให้ไกล จากนั้นหลวงพ่อก็เด่ลาจากหลวงอาหลวงปู่จามเดินทุดงไปขึ้นมาก็มาจำพรรษาที่วัดป่าบันตาดตั้งแต่ปี 2,512 แล้วก็อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา13ปี 2,525 25, หลวงพ่อก็ได้ออกจากฟัดป่าบันตาดไปอยู่ที่วัดปา่านาคําน้อยนี่แหละสรุปแล้วที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหมด ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ12ปีจนถึงปีนี้อายุ64ปีเห็นเป็นเวลาเท่าไหร่ที่หลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาลึกซึ้งอย่างไรและปฏิบัติมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นพวกกัตถาญาทยมทั้งหลายที่มาณที่นี่ให้ให้ฟัง ให้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่อเดี๋ยหลวงพ่อฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไมมีมีเรื่องอะไรทํำไมฮะแต่หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟังพวกลูกหลานบางคนก็คงจะไม่เชื่อในจิตในใจก็อาจจะมีนะแต่บางคนก็เออฟังเอาไว้เพราะว่าเราฟังเอาไว้ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนฟังเอาไว้นะแต่บางคนก็เออเปลี่ยนไปได้แต่บางคนก็ เฮ้ยหลวงพ่ออินเหมือนกับมาจริงจอกหางด้วยพอตัดหางตัวเองแล้วก็ชวนให้คนอื่นตัดหางด้ว ย, อ, ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ อ, อันนี้ก็คือแนวความคิดมันหลากหลายเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อแนะนำความเป็นมาของหลวงพ่อให้สัตยาธิยมลูกหลานได้ฟังแล้วตอนน่อไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแสดงธรรมเป็นแนวธรรมะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไป นะโมตัตตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้อาตมาได้มาที่บริษัทประกันภัยเอ A IA, ทีมมีชื่อเสียง ระดับโลกหลวงพ่อไดมาณที่นี่เป็นครั้งแรกคณะสัทธาชมรมของบริษัทได้จัดเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อเป็นการอบรมศีลธรรมจริยธรรมเพื่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในกรอบของธรรมะธรรมคำสั่งสอนที่มีคุณค่า แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วมีแต่ส่อแสวงหาทรัพสมบัติอย่างเดียวอย่างนั้นก็คิดว่าพวกเรามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถหลวงพ่อว่ายังไม่เพียงพอเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาพระพุทธองค์เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีพร้อมหมดทุกอย่าง ถ้าจะว่าไปแล้วมีพร้อมกว่าพวกเราเสีด้วยซ้ำไปเพราะท่านเป็นกษัตริย์แต่ทำไมพระพุทองค์จึงออกไปบวชเออที่ท่านออกไปบวชนั้นคือท่านค้นคว้าท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายของท่านและกระปูญาติตายายของท่านไปไหนล้มหายตายจากไปก่อนหมดและ ท, ทีนี้ท่านก็จะทำยังไงจึงจะสะแสวงหาทางที่ไม่ตาย มีไหมนี่แหละหนทางที่พระพุทธองค์ที่ได้ค้นคว้าในยุคสมัยนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกไปบวชไปฝึกอยู่ในป่าลองปิดลองถูกอยู่เป็นเวลาถึงหกปีจึงได้ตัดสุ้รรมจึงได้นำพระธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่มาประกาศให้พวกเราได้ศึกษาจนถึงณนะวันนี้เพราะนั้น พวกเราให้ศึกษาให้ดีถ้าว่ามนุษย์ของเราถ้าว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายคงจะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไม่มีทุกข์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราอิ่มอยู่เสมอกินอิมอ่มมีความสุขพวกเราก็คงจะไม่โสดแสวงหาทรัพย์ ไม่สสแสวงหาปัจจัยมาเลี้ยงร่างกายของพวกเราแต่นี้พวกเรามันหิวมันกระหายจึงได้สอดแสวงหาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาบำรุงร่างกายก่อนที่จะมีบริษัทเอไอขึ้นมาคนเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวทำยังไงการศึกษาต่อมามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วทำยังไง จะต้องปรกกันชีวิตอย่างไรที่จะให้ครอบครัวของเรามีความสงบร่มเย็นผาสุขตลอดถึงชีวิตของพวกเราและการดำเนินชีวิตของพวกเราจะทำยังไงจึงจะราบเรียดราบรึ่องออไม่มีความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็คือบริษัทพิจารณาดูแล้วคือการดาเนินของออชีวิตของมนุษยชาติไม่ว่าชาติชั้นวันณะไหน ก็ต้องสอดสวงหาทรัพย์เพื่อมาเลี้ยงร่างกายของพวกเราแต่บริษัทหรือว่าการประกันของพวกเรานี่ดูแต่ร่างกายในหลักของพุทธศาสนาไม่ได้ดูใจเนี่ยเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาพวกพุทธเจ้าท่านได้ค้นคว้าดูแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีสองมีสองมีกายกับใจ รูประธรรมและนามปธรรมแต่พวกเรามีแต่การสะแสวงหาปัปจจัยสี่มาบำรุงเลี้ยงร่างกายของพวกเราถึงจะเลี้ยงดีอี่มมีพีมันขนาดไหนอยู่เย็นเป็นสุขขนาดไหนร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นพอเลี้ยงดีขนาดไหนมันก็ไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ถึงความตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะ น, นั้นจุดนี้ละเป็นจุดที่ พราะพุทธเจ้าท่านมองท่านเห็นท่านบอกว่าท่านมองข้ามไปอีกว่าตายแล้วไปไปที่ไห น, นพวกเรามีแต่ถึงแต่ความตายแต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านมองข้ามไปอีกเอีตายแล้วจะไปที่ไหนตายแล้วมันดับใช่ไหมตายแล้วมันสูญใช่ไหมเนี่ยเพราพระพุทธเจ้าท่านแต่ค้นคว้าจึงมีพระธรรมคําสั่งสอนมาประกาศมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตั้งใจ ฟังและตั้งใจศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วร่างกายของทุกคู่ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณนะไม่ว่าช้างมา้าวควายหมูหมาเป็ดไก่มนุษย์ทุกประเภททุกหมู่เหล่าถ้าจะเปรียบเที่ยวกับเหมือนกับรอดออกมาจากอู่อู่มาจากไหน อูก็คือท้องแม่ของเราอันนี้หลวงพ่อพูดให้ตรงตัวเลยบอกว่าพวกเราออกมาจากท้องแม่ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะออกมานั้นออกมายัางไงเพราะพระอาจารย์ว่าวิญญาณคือใจเข้าไปขับรถ อ, ออกมาจากอู๋พอออกมาแล้วพวกเราก็จะต้องดูแลอันดับแรกยังเป็นเด็กยังช่วยตนเองไม่ได้ พ่อแม่เจ้าของอู๋ก็ต้องช่วยดูแลประครบประงมเลี้ยงเลี้ยงข้าวน้ำโภชนะอาหารให้เป็นผู้ใหญ่พอต่อมาคนขับรถพอช่วยตนเองได้รถคันนั้นก็รู้จักเพราะคนขับรถมีสติสัมปัมปชญะที่ดีแล้ว เ, เวลาหิวกระหาย เ, เวลาน้ำมันหมดก็เติมน้ำ เ, เวลา มันมีปัญหา เ, เราก็ต้องดูแลบารุงรักษาร่างกายของเราแต่ถึงจะบารุงดูแลขนาดไหนก็เถอะ เ, เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะแต่รถคันนั้นต้องใช้ทุกวีทุกวันขับลงที่สูงที่ต่ำขึ้นภู ผ, ผาถนนโหนทางไปที่ไหนต่อที่ไห น, ไหนอีกสักวันหนึ่งรถคันนั้นมันก็ต้องสุดโทมถึงจุดจบของมันนี่แหละ ร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหล ะ, อะพอเราใช้ทุกวีทุกวันแต่รถนั้นอายุของมันเพียงสิบกว่าปีแต่มนุษย์ของเราเนี่ยถึงร้อยปีแต่ว่ารถคันนี้รู้สึกว่าใช้ได้นานกว่ารถเหล็กอีซะอีกรถกระดูกรถหนังของเราเนี่ยใช้ได้นานแต่ถึงยังไงก็ต้องดูแลอย่างดีสุขภาพร่างกายนี่แหละแต่ถึงจะดูแลขนาดไหนก็เถอะ แต่ก็ถึงจุดจบเหมือนกับรถรถถึงจะรับ ด, ดูแลขนาดไหนก็เถอะขับไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็นั่นแหละปัญหาก็เกิดขึ้นลูกสูบล้วมบั่งอะไรบ้างมันก็ต้องมีทั้งเหล็กแทๆ้ทๆก็ยังสุดโทรมได้ผลที่สุดเมื่อรถคันนั้นมันตายมันขับไม่ไปแล้วเพราะมันอายุมันแก่แล้วทํำยังไงคนขับรถเขย่าไปเขย่ามาถึงจะมีฝีมือขนาดไหนก็เถอะคนขับรถนะแต่รถมันแก่แล้วมันตายแล้ว คนขับรถก็จะต้องหนีออกจากร่างออกจากรถคันนั้นแต่คนที่หนีออกจากรถคันนั้นทีนี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจาังัดถ้าคนหนีออกจากรถคันนั้นถ้าเขาไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาจะหนีออกจากรถว่ารถคันนี้จะถึงจุดที่จอดที่จุดจบนั้นเขาจะต้องเขาไม่ได้สะแสวงหาเงินคําทรัพย์สมบัติมีแต่เขาเที่ยวเตะเล่นสนุกสนานเป็นวันๆไปไม่ได้คิดล่วงหน้าว่า ต่อไปภายภาคหน้ารถจะเป็นยังไงถ้ารถคันนี้เสียแล้วจะไปที่ไหนจะเอาอยัางไงถ้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแปลว่าเขาประมาทนอนใจแต่พอวันนั้นมาถึงพอรถของเขาตายเพราะว่าเขามีแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานพอรถตายเท่านั้นแหะเขาก็ออกจากรถคันนั้นไม่มีทุนทรัพย์สินผลีนสุดก็ตกต่ำลงไปอาจจะไปเกิดเป็นช่างมูมาโบวควายหมูวัดเป็ดไก่ได้ท้งนั้น แต่ว่าเขามีทุนทรัพย์เขาได้เตระเตรียมไว้ด้วยความไม่ประมาทของเขาเมื่อออกจากร่างนี่แล้วเขาจะต้องไปเกิดที่ไหนเขาไปเลือกเกิดได้เพราะว่าเขาเป็นผู้มีบุญคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินพร้อมที่จะไปเลือกในไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะเหตุใรเพราะเขามีบุญเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดในขณะนี้ให้สั่งสมคุณงามความความดีเอาไว้ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอให้เป็นผู้ตั้งใจให้เป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมออย่าประมาทว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะไม่ล้มหายตายจากแต่ในหลักของพุทธศาสนาถึงเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าร่างกาย เ, ยเป็นของต้องจุดจบต้องมีจุดจบแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งในข้างหน้านี่แหละไม่รู้ว่าวันไหนล่ะ ต้องจอดแน่พระพระองค์จึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพระพระพุทธองค์จึงไปค้นคว้าอยู่ในป่าดงพงไพ่ออกไปบวชถึง6ปีไปค้นคว้าอยู่ในป่าในวันสําเร็จหรือวันวันสูตรสําเร็จของพระองค์นั้นเมื่อท่านไปค้นคว้าไปศึกษาตามวิทยาศาสตร์ต่างๆที่พวกเราได้ยินนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณไปค้นคว้าอยู่ ไปศึกษาในสถานที่ต่างๆนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดเพราะว่าการค้นคว้านั้นไปว่าแปลว่ายังสูตรไม่สําเร็จยังค้นคว้าอยู่แต่วันที่สูตรสําเร็จนั้นพระพุทธเจ้าทําอย่างไรพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคําว่าสติต้องมาก่อน ถ้าคนมีจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติไม่อยู่กับตัวของเราขาดสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเพราะนั้นพระพุธองค์ได้นั่งสมาธิเอาสติสัมปัชัญญะกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก หายใจออกสั้นออกยาวมีสติอยู่กับปลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันเผลอไปที่ไหนถ้ามันเผลอไปกลับมาดึงเข้ามามาอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมออกมีแต่คนตายเท่านั้นที่จะขาดลมแต่ถ้าว่าคนยังมีชีวิตอยู่ลมจะไม่ขาดเพียงแต่ว่าเราขาดสติของเราเท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นลมแต่ถ้าว่าเรามีสติอยู่เราจะต้องเห็นลมแต่บางครั้งบางคน บอกว่าเอา้าพุนยังไงผมก็ยังไม่เห็นลมถ้าไม่เห็นลมเราพยายามหายใจแรงๆนะสูบลมหายใจเข้าไปสักสองสามครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมมันผ่านที่ไหนมันกระทบที่ไหนก็เอาสติจับทิ่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะตรงที่ลมกระทบกําหนดเข้าหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ภาวนาแบบพุทโทนะแต่หลวงปู่มั่น พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันท่านบอกว่าถ้ากำหนดเฉยๆยังไม่เพียงพอควรจะสำทับบุคคำบริกรรมเข้าไปด้วยว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเพราะนั้นัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้ว่านี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่าไว้เขวอย่าไปทำย่างอื่ือว่ า, าวกรรมฐานนั่นดีกรรมฐานนีไม่ดี เนีกรรมฐานนั่นเป็นอย่างนั้นกรรมฐานเนี่ยวิธีจะทําจิตให้สงบแล้วนี่แหละคือกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแต่ว่าเราเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วบางท่านบางคนมันจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบเราจะใช้กรรมฐานอีน ก, ก็ได้แต่จะเป็นผู้จับจดออบางทีเปลี่ยนกรรมฐานไม่รู้กี่ครั้ง พอภาวนาเข้าไปแล้วเขาว่ายอย่างนั้นดีก็เปลี่ยนไปผลที่สุดเลยเป็นผลหลักลอยเอออันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉนั้นเรากํายึดกรรมาฐานไหนให้ยึดกรรมาฐานที่หลวงพ่อได้บอกกำหนดลมหายใจใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าถูกเอออันนี้แหะคือกรรมาฐานหรือว่าบางคนก็ยุบน้อพองน้องได้ไหมหลวงพ่อได้ไม่ผิดเป็นการกําหนดลมเหมือนกันเ อ, อกรรมาฐาน อนุสติสิบพุทธานุสติธรรมมาสังขาศิลจาคาเทวตากายยะคตามรณะอุปสสมานุสติคือกรรมาฐานอนุสติสิอันไหนก็ได้มากกว่านั้นก็ได้ข้อสําคัญให้จิตสงบให้จิตเป็นหนึ่งได้แปลว่าใช้ได้นะัเพราะฉนั้นพวกเราศรัทธาญาตกรม ท, กทุกท่านนะเรื่องกำหนดกรรมาฐานหรือว่ากำหนดชติทําจิตให้สงบนะั้น ต้องทําอย่างนี้นะให้รู้ความหมายว่าสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมนั้นจะทําจิตให้สงบนั้นคือทําจิตกําหนดให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งจะกําหนดดูที่แขนที่ขาที่กระดูกข้อไหนของเราให้เอาจิตใจกําหนดอยู่ที่จุดนั้นในความรู้สึกก็ได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทํำคือจะให้มันเผลอให้มีสติอยู่กับการกําหนดจุดนั้นๆให้รู้เห็นอยู่จุดนั้นๆ ให้มีสติสัมปชัญญะในจุดนั้นนัน้ในเมื่อพระองค์ได้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะและลึกชาติทุนหลังได้คือน้อมจิตและลึกถึงชาติทุนหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนี่แหละหลักพิสูจน์ในหลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพาพิสูจนมาอย่างนี้ เพราะพระตถาจารย์หนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความส ง, สงบแล้วจิเกิดเป็นญาณทัศน์เกิดฌานจากนั้นพระองค์เกิด ล, ลำลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วเป็นไงชาติก่อนเป็นไงร้อยร้อยชาติพัน ช, นชาติหมื่นชาติแสนชาติพระองค์รู้ได้หมดเครื่องมือของพระองค์เป็นเกี่ยมเพราะเกิดญาณทัศนะเพราะฉนั้นพวกเรามั่นใจว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเนี่ยวิธีการพิสูจน์ก็คือกําหนดลมหายใจเข้าครบหายใจออกให้จิตสงบในเมื่อจิตสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้กายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเหมือนกับคนกับรถกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเที่ไปขับรถออกมาจากูนั่นแหละคือวิญญาณใจกับกายนามธรรมกับรูปธรรมอาศัยกันอยู่จะเห็นได้ชัดเจนในเมื่อจิตสงบแล้วเพราะนั้น เมื่อจิตสงบพระพุทธองค์ตอนหัวค่ำพระองค์ก็ระลึกชาติผลหลังได้แต่พระองค์ยังไม่ลดละในการปฏิบัติของพระองค์พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้ญาณทัศน์จุตูปะปาตญาการตุติของสรรพสัตว์พวกเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่จะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้ด้วยญาณทัศน์ของพระองค์อีกว่าจุตูปะปาตญาาพอจวนจะสว่างพระพุทธองค์ก็ ได้ตัดสรุธรทำเวยวะอาสาวัคยาญยาณญาณอย่างรู้ว่าพุทธองค์บทดจดจากกิเลสแล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารพ่อดวงวิญญาณในใจหลวงนี่มาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้พระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจะยาวิญญาณนะจนถึงโสกปริเทวตุขโทวันสุ ป, ปายาตความทุกโศก ร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายมาจากตัวไม่รู้แต่บัดนี้พระพระองค์ได้ใช้สิงสมาธิปัญญาเข้าไปกั่นกลองไตรตรองใจดวงนั้นจนพระองค์ชำระใจของพระองค์หมดจดจากกิเลสราคะโมโทสะโมหะกระเด็นออกจากพระภัยของพระองค์เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ขุดผ่องพราะพระพองค์ก็รู้ด้วยด้วยพระองค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราไม่เกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่จะให้พาเราดวงวิญญาณใจของเราไปเกิดนะั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่บัดนี้เราได้ชำระใจของเราออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วใจของเราเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วเป็นอมตะธาตาาุอมาตะธรรมแล้วจิตใจไม่อยู่ใ น, ในอํานาจของกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วพุทธองค์ก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะนั้น ในเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้ในวันเดือน6กเพ็นจากนั้นพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขตามลำพังในสถานที่ต่างๆ อ, อย่างที่จนทอปไทยตีเอเราจะประกาศทมเราจะสอนให้เขาฟังได้อย่างไรเพราะทมที่เราไร้ตัดสู้เนี่ยเป็นการทวนกระแสทานโลกของเขาว่าโลกนี้มีความสวยงามร่างกายเป็นของเรามีสิ่งไหนก็เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่เราเห็นแล้ว ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งหมดในร่างกายนี่เราจะไปสอนเขาอย่างไรเขาจะเชื่อเราไหมนี่นี่แหละพระพุทธองค์ในเมื่อเสวยมิมุติสุขในสถานที่ต่างๆแล้วท้อพระไทยในการจะประกาศธรรมจึงมีผมมาราธนาอย่างที่พวกลูกหลานได้กล่าวเบื้องต้นว่าผมมาจะโลกาติปฏิสหมปฏิกัอัชลีอัญทิวรังคือผมคือพระเมตตามากาว ประการารถนาพระพุทธองค์บอกว่าวินยูชนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกในยุคนี้สมัยนี้ในเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วพวกญาติโยมบริษัทผู้มีทุลีเบาบางมีอยู่ขอพระองค์ได้ประกาศไปเถอะศาสนาเขาเหล่านั้นก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พระองค์นี่เมื่อพระองค์ได้รับพระราชนาจากพรมพระพุทธองค์ก็นึกย้อนถึงพระองค์อีกว่าเราเป็นใคร เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราจะวิเศษไปกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็คงจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อแนะนำเขาเขารู้ในเมื่อบอกกล่าวเขาผู้ที่ผู้ที่เชื่อถือคงมีอยู่เพราะนั้นเราควรจ ะ, ระคงจะ ป, ประกาศธรรมนะพระองค์ก็เลยได้ตัดพระทยแต่สิงห์พระทัยประกาศธรรม อ, อันดับแรกท่านก็มองดูว่าท่านจะปร ะ, ประกาศให้แก่ใครก่อน เราจะท่านจะไปสอนใครก่อนจากท่านท่านก็มองไปที่ดาลาดาบทอุตรกระดาบทคือฤาษีที่เป็นที่ท่านได้เข้าไปศึกษาสองท่านก็ได้มรณาภาพลงไปแล้วก็ยังท่านก็มองไปทางปัญจวัคีทั้งหที่เคยอุปถัมปัทาท่านที่มาอุปถัมปัท า, าท่านพอเดี๋ยวนั้นเห็นว่าพระ พ, พุทธองค์ได้บําเพ็ญทุกกะกิริยาท่านเหล่านั้นก็เสื่อมศรัทธาลาถอยหลบหนีไปที่อื่น พระองค์ก็มองเห็นเออควรจะไปโปรดปัญจวคัคคีทั้ง5เป็นอันดับแรกจากนั้นพระองค์ก็ได้ออกจากที่ได้ตัดทะรู้เดินไปที่ป่าศิปตนามิกรทายวัฏเราก็ไปแขวงกลุ่มฟรานสีไปโปรดปัญจวคัคคีทั้ง5อัญญาโกนทะยะเป็นหัวหน้าโกนทะญะว ป, ปะพัติยะมหานามอั ช, ชัยชิจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้แก่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ เป็นพระสงฆ์พอได้รับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเราต้องได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตามลําดับท่านจากนั้นพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในโลก น, ะนี่แหละพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราปฏิเสธเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากาตะธรรมตรัสไว้ชอบแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษา เอแล้วศึกษาเอแล้วการพิจารณาในทีนี้ในเมื่อทําจิตให้สงบตามหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วจะทํำยังไงเอครูบาอาจารย์เอท่านบอกว่าให้พิจารณาร่างกายให้พิจารณาร่างกายพิจารณาอย่างไรให้กําหนดดูงเกสาผมโลมาขนหนาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง ให้พิจารณาร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งแ ก, เก่เจ็บตายไม่เป็นอย่างอื่นอย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นปู่ย่าตายายของพวกเราที่ท่านล่วงลับดับขันไปแล้วนั่นแหละเนีย่ยพวกเราก็ไม่แพ้ท่านเหล่านั้นอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะตามไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราเกสาโลมานาขาทันตาตะโจธาตุสีดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวตนของเรา ในเมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาขนาญาติญาติมิตรสหายจะเป็นของเราได้อย่างไรเพราะขนาดร่างกายของเราแท้ๆก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ปฏิเสธจากนั้นก็คำว่าเราเราเนี่นคือใครจะเนี่ยเออร่างกายเนี่ยคือถ้าสีดินน้ำหลงไปคือเป็นน้ำเป็นรูปประธรรมส่วนนมามธรรมนั่นแ่ะคือเราจะเนี่ยคือใจใจเป็นหลงร่างกาย ในเมื่อหลงร่างกายแล้วทีนี้ก็เนี่ยแหละว่ายึดร่างกายเป็นตัวต น, นของเราเจะไปยึดได้อย่างไรเพราะตัวร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราอยู่แล้วอีกสักวันจะต้องแตกสลายในที่สุดเพราะนั้นใจอย่าหลงตัวเองนะอย่าหลงร่างกายนะให้ปล่อยวางนะให้เบื่อหน่ายคลายนะในเมื่อใจของเราพิจารณาดูร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวต น, นของเราแล้วเราก็จะปล่อยวางที่ใจในเมื่อปล่อยวางที่ใจใจของเร า, าจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่มาเวียนไายตายเกิดในวัฏสงสารดังที่พระพุทธเจ้าพระหานสาวกที่ท่านปฏิบัตินะการมาเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะนะถ้าว่าไปแล้วนะพวกเราก็จะนะคิดเนะถียงตะงิดติงยิดในใจว่าใช่แล้วพระก็พูดอย่างนั้นได้แต่พวกเราทำหน้าที่การงานมีครอบมีครัวรับหน้าที่รับผิดชอบเราจะไปวางคิดวางง่ายๆนะอย่างนั้นได้อย่างไร ถึงจะวางไม่ได้ง่ายพวกเราก็คิดไว้ในใจว่าเอาเธอนะในเมื่อเราทำหน้าที่ไหนเป็นหัวหน้ า, ผาแผนกไหนในการทำหน้าที่ของบริษัทเราจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเขาให้รักษาผลประโยชน์จุดไหนเราก็ทำให้ดีจุดนั้นต้องดูดาว่ากาล่าวเราก็ต้องยอมเพราะเหตุไฟเพราะเขาจ้างเราให้มาทาหน้าที่นี้เราจะต้องทาให้ดีที่สุด แต่เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วก่อนที่เราจะหลับนอนก่อนที่เราจะนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้ปล่อยวางที่ใจเออเรา เ, ออเราเห้เราเออสอนเราทิ้งถึงเราจะทำดีที่สุดทำดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งนะเราเออกไปด้วยไม่ได้สักอย่างเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเออพราะนั้นออการโกรธก็จะไปโกรธมากโมโหโทโสโกธา ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆเราจะไปจองเวรกับใครๆจดเกินไปนะใจนะนี่แหละให้สอนใจตัวเองให้ปล่อยวางที่ใจของตนเองไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นนะแล้วก็ไม่พวนพูดให้คนอื่นฟังอีกในใจของเราเป็นภาษาใจว่านั้นแหละถ้าว่าพวกเราทําอย่างนั้นได้นะถ้าพวกเราปล่อยวางอย่างนี้นได้อุณ ภ, ภูมิที่ความโกรธโมโหโธสูกลโธาให้แก่ใครๆจะลดน้อยถอยลงได้มากทีเดียวเพราะเหตุอะไร เรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวโลกปัฏสงสารโลกอนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นอยู่อย่างนี้ตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในนทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมาให้พวกเราเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นเถอะว่าในหลักของพุทธศาสนาในทว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่พุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาทําทไมจะพูดอย่างนั้นพวกเราเห็นไหม อธิธษฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่ท่านล่วงรับดับคันไกลได้กลายเป็นพระธาตุในพวกเราได้รู้ได้เห็นนั่นแหละมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ถ้าหากว่ายังมีผู้ปฏิบัติแต่เว้นเสียจะขาดผู้ปฏิบัติเท่านั้นมรรคผลนิพพานจะหมดในยุคนั้นสมัยนั้นกับคนคนนั้นคนกลุ่มนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้มาฟังพอยุคนี้สมัยนี้ก็ยังที่หลวงพ่อได้ ได้เจอได้เห็นพวกเราก็ได้เจอได้เห็นทางบริษัทเอ A ของเราเนี่ก็คงจะเจอเหมือนกันเศรษฐกิจบ้านเมืองในยุคนี้สมัยนี้มิเช้านี่ก็มีโยมถามหลวงพ่อเหมือนกันนะเขาว่าหลวงพ่อจะทํำยังไงสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ในขณะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ในในนจะให้ทําใจยังไงจะให้ทําตัวยังไงจึงจะเหมาะสม หลวงพ่อก็บอกอืมนอกจากทําใจแล้วไม่มีไม่ไม่มีอย่างอื่นที่จะต้องทําต้องทําใจเอาไว้นะโลกอันนี้เป็นโลคกันนิจจังทุกขังอนาตตาไม่ว่ายกไหนสมัยไหนมันเป็นอยู่อย่างนี้ในสมัยยุคของพระพุทธเจ้าของเราก็เถอะนะและยุคเมืองไทยของเราก็เถอะถ้าเรานึกไปนะยุคของเราเนี่ยนับดีแสนดีนะถ้าจะว่าไปแล้วดีแสนดียังไงแต่ถ้าว่าพวกเรานึกไปอยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาลนะ่ะลบกันกับ เพื่อนบ้านเป็นยังไงมันทุกขนาดไหนถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดไปในแง่ในหลักของพุทธศาสนาตามประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงสวัรถีพระเจ้ากรุงสวัรถีพิทูทพะยกคนไปฆ่าพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าจะรดสังเวชขนาดไหนแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นยึดอานาจพระบิดาอย่างพระเจ้าพิทูทพะหรือพระเจ้า กรุงราชครห อ, อย่งังไงพระเจ้าพิมพิสารแล้วเป็นยังไงพวกเราเนื้อดูประวัติศาสตร์ก็น่าสลดสังเวชใจเหมือนกันเพราะนั้นพระพุองค์บอกว่าอย่ามาเกิดที่ดีที่สุดในโลกนี่ถ้ามาพบม า, มาเกิดในโลกนี้จะต้องพบจะต้องเจอไม่มากก็ต้องน้อยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อก็เลยแถมท้ายว่านี่นะยุคสมัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วที่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็าตามหลวงพ่อว่าโลกทั้งโลก ขาดที่หลีคือความละอายแก่ใจขาดโอตปะคือความกลัวต่อบาปแล้วก็มีความโลภในจิตใจเพราะนั้นโลกจึงปั่นป่วนอย่างทุกวันนี้ถ้าว่าพวกเราอยู่ในเป็นชาวพุทธธมามกะมีทิ่หลีความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่โลภจนเกินไปพวกพวกเราท่านทั้งหลายจะมีความสงบพร่มเย็นผาสุขได้ในระดับหนึ่งแต่พวกเราวุ่นวายกันทุกวันนี้เพราะ คนไหนก็อยากจะให้ได้อย่างใจของตนเองฮิริคือความละอายไม่มีโอตปะคือความกลัวต่อบาปไม่มีทั้งที่พวกเราได้ศึกษาปริญญาตรีโทเอกไม่รู้เอกกี่แข น, แนงบางท่านยังแถมโอฟิเซอร์อีกต่างหากแล้วพวกเราก็ยั ง, ยงเอากิเลสเอาชนะกิเลสในใจของตนเองไม่ได้ถ้าพวกเรามีธรรมะในจิตในใจแล้วพวกเราควรจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไร แต่ในกิเลสนําหน้าแล้วพวกเราเอมีแต่ขาดใหญ่ข้าศถูกทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับชาวพุทธ ท, ทุกท่านนะให้นำธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกจะไม่รู้หรืออสิ่งควรไม่ควรออย่าให้ความโลภเข้ามาทางความโลภเข้ามาก็อย่างนี้โลกทุกวันปัน่นป่วนละเนระนาดที่มันล้มไปเพราะความโลภนะ แต่พวกเราไม่มีความโลภจนเกินไปให้รู้จักประมาณในการบริหารจัดการแล้วก็พวกเราหลวงพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในโลกแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศีลห้านี่แหล ะ, เ, ะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกได้ดีที่สุดหลวงพ่อว่าน ะ, ะที่หลวงพ่อได้อธิบายเบื้องตน้นศีล5ประการนั้นนะถ้าโลกทั้งโลกมีศีลห้าเท่านั้นแหละโอตโลกทั้งโลกก็จะสงบพร้มเย็นเป็นสุขได้ แต่ว่าโลกทั้งโลกขาดชินธรรมขาดชินห้าเท่านั้นแหละโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทอญ